ปฏิบัติวิปัสนากรรมาฐานเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงออกบินทบาทตามปกติโดยมีเด็กชายสมฤทธิ์หิวเป็นโตเดินตามมาสองปีแล้วที่ท่านไม่ได้พายเรือไปโปรดสัตว์ทั้งนี้เพราะชาวบ้านได้ช่วยกันทำถนนมาเข้าทางหลังวัดพอมีถนนผู้คนจึงหันมาใช้รถมากกว่าเรือ หลังวัดจึงกลายเป็นทางเข้าออกแทนหน้าวัดคลันหนันเข้าคนก็เลยเรียกหน้าวัดเป็นหลังวัดหลังวัดก็เลยเป็นหน้าวัดไปโดยปริยายเมื่อภิกษุวัย30เศษเดินออกประตูวัดมาก็ได้ยินเสียงร้องอุแวะอุแวะดังอยู่ใกล้ๆท่านกวาดสายตาไปรอบๆ เพื่อหาที่มาของเสียงและเห็นเบาเก่าๆใบหนึ่งวางอยู่ข้างทางเดินในเบามีทารกแรกเกิดสองคนถูกห่อด้วยผ้าขนหนูทั้งตัวเปิดเฉพาะใบหน้าน้อยๆไว้สำหรับหายใจท่านนั่งลงแล้วคลี่ผ้าที่ห่อทารกออกจึงรู้ว่าเป็นเพศชายสงสัยคนละลูกมาทิ้งหนาลงนะเด็กชายสมริษซึ่งเดินมาทันพอดี ออกความเห็นข้าก็ว่าอย่างนั้นฝาแฝดซะด้วยใครนะใจร้ายเอาลูกมาทิ้งได้ลงคอถอน่าสงสารเด็กชายพูดนึกรักเจ้าฝาแฝดขึ้นมาเดียวนั้นเอ็งว่าข้าควรจะทำอย่างไรดีท่านถามอยากรู้ว่าเด็กชายคิดอย่างไร ต้องเอาไปให้แม่ทีเลี้ยงลงหน้าเป็นผู้ชายไม่มีนมให้มันกินเป็นความคิดของเด็กชายอายุก้าขวบจะดีเร้อเกิดใครเขาไม่รู้ก็จะหาว่าทีมีลูกกับพระท่านมองเห็นความยุ่งยากที่จะตามมาเพิ่งถูกเจ้าคณะอำเภอสอบสวนประยกยกในข้อหามีใจฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ เพียงเพราะไม่ยอมให้ตํารวจปลดรูปอาจารย์ลงบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป ม, มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแทนหลวงพี่บู์สงครามนายกคนใหม่ท่านเกลียดคอมมิวนิสต์และมีนโยบายที่จะปราบปรามเสียให้ราบคาบขณะเดียวกันก็เกิดระแวงว่าคนไทยจะเอาใจไปฝักใฝ่ในลัทธิที่ว่านี้จึงต้องกวดขัน กระนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้ถูกจับกลุ่มและถูกสอบสวนอยู่เนืองๆไม่มีเว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงนาะยอมไม่ค้นขาว่าเถอครับไม่งั้นไอ้สองตัวนี่ตายแง่แกอยู่ตรงนี้แน่นอนเขาช่วยหลวงนาะตัดสินใจตกลงข้าจะยอมให้เขาว่า เพื่อแลกกับชีวิตเจ้าตัวน้อยๆสองคนนี่ถ้าข้าไม่ช่วยมันต้องม้วยมอนแน่ๆเอาละเองอุ้มบาทนะส่วนข้าจะอุ้มเด็กแล้วไปสำนักทีด้วยกันท่านส่งบาทให้เด็กชายสมริศแล้วจึงช้อนบอกขึ้นมาอุ้มอย่างระมัดระวังด้วยกลัวเด็กน้อยฝาแฝดจะกระทบกระเทือนทารกน้อย หยุดร้องเหมือนจะรู้ว่าทีวิตปลอดภัยในอ้อมแขนของสมณะรอดตายแล้วท่านสมภารไปเอาเด็กสองคนนี่มาจากไหนจ๊ะแม่ชีเจียนถามเมื่อพระเจริญวางเบาะลงบนพื้นข้างหัวบันไดไม่รู้ใครเอามาทิ้งไว้ที่หลังวัดอาตมากับเจ้าสมฤทธ ไปเห็นเข้าก็เลยอุ้มมาที่นี่เห็นจะต้องฝากแม่ชีเลี้ยงไว้เอาบุญท่านตอบผมบอกหลวงนาะเองว่าให้เอามาฝากแม่ชีเลี้ยงเพราะหลวงนาเป็นผู้ชายไม่มีนมให้มันกินป้าทีเอานมให้มันกินด้วยนะเด็กชายบอกข้าแก่แล้วไม่มีน้ํานมให้มันกินหรอกแต่เอาเธอะให้มันกินนมกระป๋องก็ได้ หรือท่านสมพานว่าอย่างไรนางถามความเห็นสมพานก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนึกว่าเวทนามันนะ่าแมชีนะลูกใครก็ไม่รู้สงสัยคงไม่ใช่คนแถวนี้หรอกฉันก็ว่าอย่างนั้นต้องเป็นคนที่อื่นไม่ใช่คนแถวนี้แน่เอ มนุษย์เรามันแย่ลงไปทุกวันทุกวันนะท่านสมพานลูกในไส้แท้ๆลูกในไส้แท้ๆยังเอามาทิ้งี่ลงคอแม่ชีเจียนบน่นเขาอาจมีความจำเป็นก็ได้อย่าไปว่าเขาเลยเอาละอาตามาจะออกไปบินทบาทละฝากด้วยนะไปกันเถอะสำริดท่านบอกลูกศิษย์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 ก็ตามติดมาดังที่พระเจริญคาดการไว้ทั้งนี้เพราะคนใจลามกสกปรกพากันเอาไปพูดว่าสมภารวัดป่ามะม่วงแอบไปมีลูกกับศีกาแล้วนำมาให้แม่ชีเลี้ยงโชคยังดีที่วัดนี้ไม่มีแม่ชีสาวๆมิฉะนั้นสมภารก็คงถูกกล่าวหาว่ามีลูกกับชีบรรดาสิทธิานุสิ์ ผู้ซึ่งมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอย่างสม่ำเสมอต่างพากันสงสารท่านสมภารที่ถูกคนทุศีลครหานินทาขณะเดียวกันก็ได้เห็นคุณธรรมในตัวท่านมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะไม่โต้อตอบหรือแก้กข้อกล่าวหาแล้วท่านยังบอกญาติโยมให้ช่วยกันแผ่เมตตาไปยังคนเหล่านั้นอีกด้วย สมภารอีชั้นไม่ขอดใจเลยว่าทําไมคนเราถึงได้มีจิตคิดร้ายต่อพระสงฆ์องค์เจ้าอีชั้นเห็นท่านสมภารทําแต่ความดีถึงกระนั้นก็ยังถูกคนใส่ร้ายป้ายสีพวกเขาช่างไม่กลัวบาปกันบ้างเลยนางโถพูดอย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจท่านสมภารช่างเขาเถอะโยมเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา เราสิทธถฐาคตต้องรู้จักวางตนเมื่อถูกคนเขาติเตียนหรือสรรเสริญรู้ไหมพระองค์ตรัสสอนในเรื่องนี้ว่าอย่างไรท่านถามอุบาสิกาไวเดียวกับโยมารดาไม่ทราบจะ้ะท่านสมพานช่วยบอกอีชั้นด้วยเถอจะ้ะเอาละงั้นก็ตั้งใจฟัง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 ท่านถามยิ้มยิ้มผู้ชายก็มีหัวใจนะครับหลวงพ่ออุบาสกคนที่หนุ่งที่สุดเอ่ยตกลงตกลงงั้นอาตมาอนุญาตให้ฟังทั้งโยมหญิงโยมชายเลยไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาละตั้งใจฟังนะเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพรหมชาลสูตรสีละขันทวัก ทีฆนิกายพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าถ้าผู้อื่นติเตียนหรือว่าร้ายเราไม่ควรอาฆาตมาต ร, ร้ายหรือเสียอกเสียใจเพราะการทำเช่นนั้นจะมีแต่ผลเสียควรพิจารณาดูว่าที่เขาว่านั้นจริงหรือไม่ถ้าไม่จริง ก็ชี้แจงเขาว่าที่กล่าวนั้นไม่เป็นจริงแต่ท่านสมภารไม่เห็นชี้แจงให้พวกเขาฟังเลยนี่จ๊ะนางโถแยงก็เขาเคยมาพูดหรือมาถามอาตามาไหมล่ะเขาให้โอกาสอาตามาได้ชี้แจงไหมได้แต่เล่าลือต่อๆกันไปช่างเขาเถอยโยมถ้าทำอย่างนั้นแล้ว เขามีความสุขก็เรื่องของเขาอาตมาไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเพราะได้ตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะชดใช้กรรมให้หมดเสียในชาตินี้จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกโลกมนุษย์เนี่ยไม่น่าอยู่เลยนะโยมนะมีแต่อิจฉาริษยานินทาว่าร้ายพระหนุ่มพูดปลงปลง จริงจ้ะอีชั้นก็ไม่อยากเกิดในโลกมนุษย์อีกนางโถเห็นด้วยกับสมภารอ๋อโยมโถก็ไม่อยากเกิดในโลกมนุษย์หรือแล้วอยากเกิดโลกไหนล่ะโลกไหนก็ได้ที่มีท่านสมภารอีชั้นขอติดตามไปเป็นลูกศิษย์กรรมฐานทุกภพทุกชาติจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานโอ้โห ขนาดนั้นเชียวหรือขอให้สมหวังดังที่ตั้งปณิธานนยมนะท่านอุยชัยให้พรสาธุนางโถรีบยกมือขึ้นสาธุหลวงพ่อครับแล้วถ้ามีคนเขาสันเสริญเราจะทำอย่างไรละครับหนุ่มอายุน้อยที่สุดถามอีกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงตอบว่า พระพุทธองค์ทรงสอนว่าถ้าคนอื่นเขาสรรเสริญก็ไม่ควรเบิกบานใจหรือกระยิมยิ้มย่องในคำชมนั้นหากจริงตามที่เขาชมก็รับรู้ในใจว่ามันเป็นจริงเท่านั้นพอหากเราปฏิบัติได้ดังนี้เราก็ไม่ต้องวันไหวไม่ว่าใครเขาจะสรรเสริญหรือติเตียน จริงไหมนางแต้มรีบสนับสนุนว่าจริงจ้ะแต่เวลาทำมันยากนะจ้ะท่านสมภารการฝึกจิตเนี่ยมันยากมากเวลาพูดดูเหมือนง่ายแต่เวลาทำยากอย่าบอกใครนางยำ้ำที่ยากเพราะไม่เคยตั้งหากละ่ะที่เขาเรียกว่ายากแท้ แต่ไม่เคยถ้าฝึกจนเคยเสยแล้วมันก็ไม่ยากหรือโยมว่าไม่จริงจริงจะ้ะและอีฉันก็เห็นว่าการเจริญกรรมฐานอย่างที่ท่านสมพันธ์สอนเป็นวิธีฝึกจิตที่ดีที่สุดจะ้ะสตรีไวยใกล้เคียงกับนางโถตอบอย่างนั้นหรือโยมผู้ชายเห็นด้วยไหมท่านเลี่ยงไปถามโยมผู้ชาย แทนการถามโยมโถมิฉะนั้นจะต้องถูกพวกเขาหาว่าลำเอียงอีกเมื่อถูกถามอุบาสกที่กระซเอาพระเจริญจึงตอบว่าเห็นด้วยครับแต่ผมก็สังเกตว่าพวกโยมผู้หญิงโดยเฉพาะแม่โถกับแม่แต้มเขาปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าพวกผู้ชายจะว่าท่านสมพันธ์ลำเอียงก็คงไม่ใช่เพราะเวลาสอนผมก็เห็นท่านสอนเท่าๆกัน อาจเป็นไปได้ว่าโยมผู้หญิงเขามีความเพียรมากกว่าหรือท่านสมพันธ์ว่าอย่างไรครับอาตมาคงไม่ว่าอย่างไรรอกแต่อาตมาก็สังเกตนะว่าโยมผู้หญิงเขาปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าโยมผู้ชายแล้วก็มาวัดกันมากกว่าด้วยอย่างที่นั่งอยู่ที่นี่โยมผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย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 เอาละเพนแล้วขอเชิญไปรับประทานอาหารกันก่อนจะได้มีแรงปฏิบัติต่อในช่วงบ่ายทั้งอุบาสกอุบาสิกาต่างพากันกราบสมพาน์แล้วจึงลุกออกมาจัดเตรียมอาหารที่ต่างคนต่างนามาจากบ้านจากนั้นก็ตั้งวงรับประทานกันบนศาลาการประเรียนนั่นเอง พัรษานี้วัดป่ามะม่วงมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา17รูปสมณเณรอายุ15ปีอีกหนึ่งรูปพระเจริญจึงมีลูกศิษย์คอยรับใช้ใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนอกเหนือจากเด็กชายสำริดลูกพระตุผู้ซึ่งติดเด็กชายฝาแฝดจนไม่เป็นอันทมอะไรก่อนไปโรงเรียนก็ไปหากลับจากโรงเรียนก็ไปขลุกอยู่ที่สานักทีจนมืดค่า สมภารจะเรียกใช้ไหว้วานแต่ละทีก็ต้องเดินไปตามที่สำนักทีหนักเข้าท่านก็เลยเลิกใช้ครันเนนตุ้ยเข้ามาอยู่ในวัดจึงได้ทำหน้าที่แทนเด็กชายสำริดให้สมภารเบาใจนั่นจะไปไหนพระเจริญถามเด็กชายซึ่งบัดนี้อายุ11ขวบแล้วไปหาไอ้แดงกับไอ้ขาวครับเขาหมายถึงเด็กชายฝาแฝด ซึ่งแม่ชีเจียนเป็นคนตั้งชื่อให้ตามสีผิวของเด็กน้อยคนตัวออกสีแดงๆงจึงได้ชื่อว่าแดงส่วนคนโตขาวได้ชื่อว่าขาวไม่มีการบ้านหรือไงมีครับผมทำเสร็จแล้วเด็กชายตอบข้าไม่เห็นเองทำเลยมาถึงก็ออกไปแล้วผมทำที่โรงเรียนครับลุงน่าจะเห็นได้อย่างไรล่ะเอาละ่ะ เอาละจะไปไหนก็ไปอย่ามัวมาพูดมากปากมอมอยู่เลยขอบคุณครับอ๋อหลวงนาะอย่าตำหนิผมเลยนะครับผมเหงาอยากมีเพื่อนเล่นกับไอ้แดงและไอ้ขาวทำให้ผมหายเหงาและหาคิดถึงหลวงพ่อเข้าสารภาพก่อนออกจากกุฏิไม่ลืมแวะห้องเนนตุย้ยซึ่งอยู่ชั้นล่างติดกับห้องเขาหลวงพี่ช่วยดูแลหลวงนาะแทนผมด้วยนะครับ เออเองไม่ต้องมาบอกข้าทุกวันก็ได้รำคาญอยากไปไหนก็ไปเถอะไปเนนตุ้ยว่าเพราะกำลังเดินจงกรมอยู่เวลาทุ่มเศษเด็กชายสัมฤทธิ์ยังไม่กลับมาจากสำนักทีสมเนนตุย้ย นั่งกรรมาฐานเสร็จกำลังแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่ที่หน้ากุฏิแผ่เมตตาเสร็จจึงเดินออกมาดูก็พบบุรุษอายุราวห้าสิบกับชายหนุ่มสองคนเข้ามานั่งในกุฏิแล้วเนนท่านสมพานอยู่หรือเปล่าบุรุษนั้นถามอยู่ข้างบนยมมีทุระอะไรด่วนหรือเปล่าด่วนนะสิ ถึงได้มาเวลานี้ไม่หนาถามเขารู้สึกไม่พอใจเน็นตุย้ยงั้นก็ช่วยบอกธุระของโยมด้วยอาตมาจะได้ขึ้นไปเรียนท่านเอาไว้ท่านลงมาแล้วผมจะเรียนท่านเองเน้นไปตามท่านลงมาพบผมก็แล้วกันบอกว่านายมั่นมาขอพบมีธุระด่วนเขาบัญชาคงไม่ได้หรอกโยมเพราะถ้าอาตมาไปเรียนท่าน ท่านก็ต้องให้ลงมาถามอยู่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาโยมบอกธุระมาเลยดีกว่าสมณีนบอกอย่างคนรู้กติกาของวัดนี้แม้เรื่องมากจริงงั้นบอกก็ได้คือไอ้มั่งลูกชายผมมันถูกผีที่ต้นกลางหลังวัดหลอกเอาผมอยากขอให้ท่านสมภารไปช่วยจับผีมาถ่วงน้ำด้วยมันหลอกคนเป็นไข้หัวโกรนตายไปสามคนแล้ว นายมั่นเล่าเขาเกรงว่าลูกชายจะต้องตายเป็นคนที่สี่จึงต้องมาขอให้สมภารไปจับผีถวงน้ำเสียจะได้ไม่ต้องมีคนตายเพราะถูกมันหลอกอีกเนนตุ้ยขึ้นไปรายงานสมภารตามที่นายมั่นเล่าให้ฟังครั้นเนนเล่าจบท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่า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 หลวงพ่อชวนเจ้าสมริ์ไม่ดีหรือครับผมไม่ค่อยถนัดเรื่องจับผีสมณเนนวัยสิบห้าพยายามบ่ายเบียงเจ้าหมอนั่นมันตาขาวอย่างกับอะไรดีเธอนั่นแหละเหมาะแล้วเตรียมหาไฟฉายไปด้วยท่านสั่งแล้วมีดหมอละ่ะหลวงพ่อมีมีดหมอหรือเปล่าครับถามเพื่อจะได้มั่นใจในความปลอดภัยฉันไม่ต้องใช้มีดหมอ เธอหน้าฉันมีคาถาจับผีก็แล้วกันเธอยังมาทำตาขาวแบบเจ้าสมริดอีกคนเลยลูกผู้ชายไม่ตายเพราะถูกผีหลอกหอกหน่าเชื่อฉันเถอะสมภารพูดปลอบขวัญลูกวัดแต่โยมนั่นเขาบอกว่ามีคนถูกผีหลอกเป็นไข้หัวโกรนตายไปสามคนแล้วลูกชายแกกำลังจะเป็นคนที่สี่เอาเถอะฉันรับรองว่า ลูกชายโยมมั่นไม่ตายแล้วก็ไม่ต้องเป็นไข้หัวโกรนด้วยเชื่อฉันเถอะฉันขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรับรองแข่งขันเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงเนนตุย้ยจึงลงมาบอกในมั่นและพักพวกที่รออยู่ข้างล่างหลวงพ่อท่านบอกให้รอสักครู่ประเดี๋ยวท่านจะลงมา ทำไมท่านไม่ลงมาเลยล่ะเน้นไม่ได้บอกหรือว่าเรื่องด่วนเกิดไอ้มั่งตายไปจะว่ายัางไงนายมั่นพูดอย่างเป็นกงนังวลไม่ต้องกลัวหรอกโยมอาตมาเรียนท่านอย่างละเอียดแล้วท่านรับรองว่าโยมมั่งไม่ตายแล้วก็ไม่เป็นไข้หัวโกรนด้วยขอให้โยมเชื่อท่านเถอะท่านไม่เคยพูดอะไรที่ไม่จริงแม้สักครั้งตกลงเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้ ผมก็ค่อยเบาใจจริงอย่างที่เนนว่าท่านสมพานพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นตั้งแต่รู้จักท่านมายังไม่เคยเห็นท่านพูดไม่จริงเลยสักครั้งนายมั่นพูดอย่างโล่งอกและมีกำลังใจที่จะปักหลักรอต่อไป